ทรงแสดงความเป็นผู้ฉลาดในธาตุสิปคืออายตนะภายในหมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกหกมีรูปเป็นต้นวิญญาณหกมีตะขูวิญญาณเป็นต้นรวมทั้งหมดเป็นธาตุสิปดฉลาดในธาตุหกคือดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณธาตุหกคือกามเนคขมะ